โอกาสพ่าอาจารย์จเจริญพรทุกท่านหลวงพ่อไม่ได้มาเทศที่นี่หลายปีแล้วตั้งแต่ปี59เกไม่สบายเข้าโรงพยาบาลอยู่เป็นปีเลยแต่ถึงไปอยู่ที่โรงพยาบาลก็ยังทำงานเผยแพร่ต่อเนื่องมาไม่เคยขาด ทุกวันนี้ไปที่ต่างๆก็พบพวกเราจำนวนมากเลยบางคนไม่เคยเจอหลวงพอ่อฟัง YouTube ฟังซีดีภาวนาเป็นคนที่ภาวนาเป็นไม่ใช่มีประกาศนียบัตรรับรองเลยวิญญยชนรู้ด้วยตัวเองได้อันแรกเลยจะคน ไม่เคยมีสติก็มีสติขึ้นมาอย่านนี้ถือว่าพัฒนานะคนไม่มีศีลเนียมีศีลขึ้นมาก็เรียกว่าพัฒนาขึ้นมาคนไม่เคยมีสมาธิเกิดสมาธิขึ้นมาก็เป็นการพัฒนาคนที่ไม่เคยเจริญปัญญาสามารถเจริญปัญญาได้เานนี้พัฒนามากนะส่วนจะถึงบีมุตหรือไม่ถึง เป็นเรื่องเฉพาะตัวแล้วทุกวันนี้ธรรมะที่ภาคเพียนสอนญาติโยมมาส่งผลส่งผลอย่างกว้างขวางอยู่พวกเราจำนวนมากสามารถรู้สึกตัวเป็นตด้แต่เมื่อห้าปีก่อนคนรู้สึกตัวเป็นมีนับไปทั่วนะ ช่วงหลังๆนี่แค่รู้สึกตัวได้นี่ยังใช้ไม่ได้นะถือว่าด้อยพัฒนาแนละ้วจะต้องเจริญปัญญาเป็นการเจริญปัญญาเนี่ยในขั้นต้นต้องแยกรูปนามขันห้าได้หลวงตามหาบัวเนี่ยท่านเคยสอนเลยว่าถ้าแยกทาดแยกขันไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะว่าได้เจริญปัญญาพวกเราที่เรียนกับหลวงพ่อนะ จำนวนนับไม่ท้วนแล้วล่ะที่แยกธาตุแยกขันได้อย่างเราเห็นว่าร่างกายเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่งร่างกายเป็นของถูกรู้จิตเป็นผู้รู้เราเห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เป็นของถูกรู้จิตเป็นผู้รู้อันนี้ก็เป็นการแยกขันเวทนาขันกับจิตบางคนก็แยกกุศลอกุศลเป็นของถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ อันนี้เป็นการเจริญจิตานุปัสสนาอย่างเราเห็นกายหายใจออกกายหายใจเข้าเป็นของถูกรู้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเป็นของถูกรู้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเป็นของถูกรู้อันนี้เราเจริญกายานุปัสสนาอยู่นี่บางคนจะเห็นความสุขความทุกข์เป็นของถูกรู้อันนี้เป็นพูเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่ บางคนก็เห็นกุศลและอกุศลที่เกิดขึ้นในใจนเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูก็เรียกว่าเป็นผู้เจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่บางคนก็เห็นการทํางานของขันธ า, ายาตนายัางเห็นจิตหนึ่งไปทํางานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวนี้เห็นยากขึ้นมาละเป็นขั้นของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน บางคนก็เห็นถึงอริยสัจนะเห็นถึงอริยสัจแต่ว่าไม่ว่าเริ่มต้นเราจะดูกายเวทนาดูจิตนะหรือถ้าบารมีเราแก่กล้าเข้ามาที่ธรรมานุปัสสนาเลยดูขันธานยัตะนะดูโพชฌงค์นิวรนนะดูอริยสัจสนะิ่งเหล่านี้ดูยากนะยากกว่า ดูกายดูเวทนาดูจิตอย่างธรรมานุปัสสนาเนี่ยครอบคลุมทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรม ท, ทั้งกุศลทั้งอกุศ ล, นะ ท, ลทั้งโลกียะทั้งโลกุตตระเนี่ยธรรมานุปนัสนาญจะกว้างขวางมหาศาลเลยแต่พวกเราไม่ต้องกลัวนะเริ่มต้นแค่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกไปแค่นี้ก็ยังดีถึงวันหนึ่งมันก็จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจทั้งนั้นนะทุกคน จะต้องรู้แจ้งแต่งตลอดอริยสั์ถ้าภาวนาถูกเมื่อกี้เห็นสวนดบทที่พระพุทธเจ้าสอนพระจุนทะกันใช่คนอื่นมีมิจฉาทิฏฐิเราจะมีสัมมาทิฏฐินะสวดวนสวด ว, ว, ว, วไปพวกเราไม่มีหรอกนะพระจุนทะมีพระจุนทะภาวนาเป็นพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วท่านบอกทางให้แล้วแล้วเพียงแต่ชี้เป้าท่านั้นว่าตรงนี้ไม่เอาตรงนี้จะเอา ส่วนวิธีปฏิบัติเนี่ยท่านบอกท่านสอนไว้แล้วจะไปเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นเทวดาไปเป็นพรหมหรืออยากจะบรรลุมรรคผลถึงพระ น, นิพพานท่านก็บอกทางไว้ให้สารพัดที่จะบอกนสิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่นั่งสวดแล้วก็ปฏิญาณว่าอันโน้นคนอื่นก็เป็นเราจะไม่เป็นอะไรเงี้ยแค่นั้นไม่พอนะ รับรองเลยว่ากิเลสเราจะยิ่งมากกว่าเก่าอีกกูเก่งกว่าคนอื่นเขาอีกงั้นเราต้องรู้วิธีที่จะปฏิบัติเพื่อชำระล้างกิเลสออกจากใจของเราการจะทำลายกิเลสออกจากใจได้เนี่ยเครื่องมือที่สำคัญนะมีสองตัวตัวที่หนึ่งคือสัมมาสติตัวที่สองคือสัมมาสมาธนะิเครื่องมือมีสองตัวคือสติกับสมาธิ สติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตซึ่งเป็นคนรู้นะรูปรู้นามเพราะฉะ น, นั้นต้องมีเครื่องมือสองตัวถ้าสองตัวนี้ย่อลงมารวมกันจะเป็นประโยคที่หลวงพ่อสอนอยู่เรื่อยว่าให้พวกเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะี่คือจิตที่ส่งสัมาสมาธิ สมาธิไม่ใช่สงบนะสงบเนี่ยตื้นไปสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นถ้าพูดภาษาไทยให้พวกเรารู้เรื่องง่ายๆที่สุดเลยนะมันตรงกับคาว่าเป็นสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักไหมจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้โดยวาทะปฏิบัติจริงยากเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่เรื่องลืมเนื้อลืมตัว ไอ้ที่จะรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยนับตัวได้เลยเหมือนไม่แปลกอะไระเราขาดเครื่องมือที่สำคัญคือสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็สติที่ถูกต้องถ้าเรามีสมาธิถูกต้องมีสติถูกต้องแล้วขยันมีสัมมาวายามะมีความเพียรที่ถูกต้องเราก็จะได้ปัญญาปัญญาในขั้นโลกุตระได้สมาทิฐิที่เป็นโลกุตระขึ้นมาก็จะพ้นทุกข์ได้ ไม่มีการที่จะพ้นทุกด้วยวิธีอื่นเลยนอกจากการสร้าง ส, างสมาทิตฐิขึ้นมาใน ใ, นใจเราเมื่อไรมีความรู้ถูกมีความเข้าใจถูกเมื่อนั้นจิตจะปล่อยวางจางใครไม่ยึดถือในรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายนะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจิตจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นะเราจะรู้ด้วยตัวเองว่าจิตมันหลุดพ้นแะล้วอย่างหัดภาวนานนหลวงพ่อเ น, นี่ยนะ พวกเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างจิตของเราเนี่ยเคยคลุกอยู่กับโลกตลอดเวลานะาภาวนาไปหัดรู้สึกตัวไปหัดให้จิตใ จ, ใจอยู่กับตัวเองหัดรู้เท่าทันอะไรเกิดขึ้นในกายในใจรู้บ่อยๆใจของเราจะค่อยๆถอนตัวออกจากโลกนจะค่อยๆถอนถอนออกมาหลายคนจะรู้สึกตัวขึ้นมาได้ว่าเดี๋ยวนี้ใจเราไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วใจเราเปลี่ยนไปแล้ว แต่เดิมเนี่ยใจเราจมอยู่กับโลกจมอยู่กับความนึกคิดทั้งหลายตอนนี้ใจถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนรู้คนดูเห็นสภาวะทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงผ่านไปเราเป็นแค่คนรู้คนเห็นเนี่ยถ้าเราภาวนาจิตจะค่อยๆ ค, ค, คลายออกจากโลกทีแรกมันก็ห่างโลกออกไปนะยิ่งถ้าได้ถึงพระอนาคามีเนี่ย จิตพระนาคามีเนี่ยร่อนออกไปจากโลกเลยไม่เข้ามากระทบโลกเลยจิตปุถุชนจิตโสดาจิตสกทาคาร์เนี่ยยังเกาะอยู่กับโลกโลกที่พวกเรารู้จักนี่คือกามโลกกามาวาจรภูมิถ้าถึงพระนาคามีเนี่ยจิตหลุดออกจากกามโลกหลุดจากกามาวาจรภูมิขึ้นไปสู่รูปรวาวจรรูปรวาวจรภูมิถ้า ถึงที่สุดแล้วเนี่ยจิตหลุดออกจากภูมิทั้งหมดเลยทั้งสามภูมิจิตจะเข้าสู่ภูมิที่สเรียกโลกุตตะรภูมนะิที่เป็นที่สุดแห่งทุกข์สนะิ่งเ่าเนี้ยไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะไม่ใช่การพูดลอยๆแต่มีวิธีที่จะลงมือปฏิบัติขั้นแรกสุดเลยนะก่อนที่ เราจะสามารถล้างกิเลสทั้งหลายได้และพัฒนากุศลทั้งหลายได้เนี่ยสิ่งแรกที่พวกเราต้องฝึกคือสติเครื่องมือตัวที่หนึ่งต้องพัฒนาเราอย่านึกว่าเรามีสติอยู่แล้วถ้าพวกเรามีสติอยู่แล้วนะ่พวกเราคงันรู้มรรคผลกัไปหมดแล้วหละในความเป็นจริงเราไม่มีสติหรอกเพราะสติที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเนี่ยไม่ใช่สติธรรมดามันคือสติพั้นฐาน เงินตัวสัมมาสติที่พระพุทธเจ้าพูดถึงไม่ใช่สติแบบเดินไม่ตกถนนขับรถไม่ตกถนนนะเดินไปไม่ไปเหยียบขี้หมาโดยไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะสติอย่างโลกโลกสติอย่างชาวพุทธเราต้องเป็นสติปัฏฐานคือเป็นสติที่รู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายสติที่รู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจเนะนี่ยเบื้องต้นเราจะต้องหัก วิธีการที่เราจะหัดให้สติเกิดเนี่ยมีวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะแต่ว่าไม่รู้มันจะง่ายสําหรับพวกเราหรือเปล่าหลวงพ่อว่ามันง่ายหลวงพ่อน่เคยโตแย้งกับครูบาอาจารย์รุ่นโตโตนะโตวกว่หลวงพ่ออย่างครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกเลยวท่านเห็นด้วยกับสิ่งที่หลวงพ่อประโมทสอนทุกอย่างเลยไม่เห็นด้วยอย่างเดียวท่านบอกมันยากในขณะที่หลวงพ่อบอกหมมันง่ายง่ายนะ ก็ไม่รู้มันจะยากหรือจะง่ายแล้วแต่พวกเราแล้วล่ะขั้นแรกเลยฝึกให้ได้สตินะันที่สองฝึกสมาธิให้ได้ถ้ามีสองตัวนี้แล้วทําให้มากทําให้เจริญแล้วมรรผลไม่หนีไปไหนหรอกวิธีฝึกให้ได้สติทํายังไงขั้นแรกเลยนะเราต้องหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึ่งหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึ่งนะ เช่นอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจก็ได้ต้องค่อยๆฝึกนะอยู่ดีๆมันไม่เกิดหรอกของดีๆก็ต้องฝึกเอาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ไดนะ้แล้วก็คอยรู้เท่าทันจิตของตนเองไว้จิตเท่านั้นเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมะทั้งปวงอย่างเราจเจริญกา ย, ยานุปัสสนาเนี่ยใครเป็นคนรู้กายก็จิตเป็นคนรู้กาย เราเจริญเวทนานุปัสสนาใครเป็นคนรู้เวทนาจิตเป็นคนรู้เวทนาเราเจริญจิตตานุปัสสนาใครเป็นคนรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลก็จิตนั่นแหละเป็นคนรู้เราเจริญธรรมานุปัสสนารู้รูประธรรมนามธรรมรู้กุศลรู้อกุศลรู้โลกียารู้โลกุตตะละทั้งหลายใครเป็นคนรู้ก็จิตเป็นคนรู้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้ ถ้าเราไม่มีจิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนะเราทํากรรมฐานไม่ได้จริงหรอกเราจะไปหลงอยู่ในโลกของความคิดหรือว่าเวลาเราไปดูท้องพองยุบเนี้ยจิตเราไม่เป็นผู้รู้นะจิงจะไหลไปอยู่ที่ท้องจมลงไปที่ท้องเวลาเดินจงกรมจิตมันจมอยู่ในเท้าบางบางคนจมไปอยู่ในพื้นไปหนักเลยเพราะเราจะต้องฝึกให้จิตมันเป็นตัวรู้ขึ้นมาวิธีที่จะฝึกให้จิตเป็นตัวรู้เนี่ย โดยรวบยอดเลยจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิเลยนะก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองเช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไม่ใช่พุโทโธให้จิตสงบนะพุโทโธให้จิตสงบเนี้ยตื้นเกินไปหรือรู้ลมหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปก็รู้เท่าทันจิตไป เช่นเราหายใจไปหายใจไปเนี่ยจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจให้เรารู้ทันว่าจิตไปอยู่ที่ลมละหายใจไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นให้เรารู้ว่าจิตหนีไปคิดละคือรู้ทันจิตไปเรื่อยๆนะการที่เรารู้ทันจิตนี่แหละคือบทเรียนที่ชื่อจิตสิกขาสิ่งที่ได้มานะนอกจากสมาธิแล้วจิตสิกขาจะทําให้เราได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาด้วย งั้นตัวนี้สําคัญมากนะถ้าพวกเราทําได้เนี่ยมากผลนิพพานไม่ไกลเท่าไหร่หรอกแล้วมันจะง่ายที่สุดเลยอย่างถ้าเราเริ่มต้นแบบว่าเราจะไปพุโทโธไปหายใจเพื่อให้จิตสงบอันนี้ยากแน่นอนเพราะจิตของเราฟุงา้งซ่านจะไปทําให้สงบเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราปรับวิธีคิดวิธีมองวิธีปฏิบัติสักนิดหนึ่งนะอย่างเราพุโทโธไปหายใจไปไม่ใช่เพื่อความสงบแต่เพื่อรู้เท่าทันจิต นะเพื่อทำจิตตศิกขาอันนี้จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเช่นพุทโธพุทโธไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านพุทโธไปจิตสงบรู้ว่าจิตสงบนบางทีเราพุทโธพุทโธพุทโธคืออะไรพุทโธคือความคิดแต่มันเป็นการคิดที่เราจงใจคิดเราจงใจเราเจตนาคิดคำว่าพุทโธขึ้นมาถ้าไม่ต้องเจตนานะถ้าเราไม่จงใจคิดพุทโธไว จิตเราก็จะแอบไปคิดเรื่องอื่นโดยเราไม่รู้ทันจิตเราหนีไปคิดทั้งวันแหละงั้นที่หัดพุดโทโธพุโทโธเนี่ยนะคือจงใจคิดพุดโทโธไว้เพื่อว่าเมื่อไร่มันหนีไปคิดเรื่องอื่นเราจะได้รู้ได้เร็วว่าเฮ้ยหลงไปแล้วนะเงั้นที่เราหัดพุดโทโธเนี่ยเพื่อจะรู้ทันจิตว่าจิตมันหลงไปแล้วเท่านั้นเองแค่นี้แหละมันจะยากอะไรนักหนาแต่ถ้าไปพุโทโธเพื่อให้จิตสงบไปหายใจเพื่อให้จิตสงบอันนี้ยากแน่นอน แต่ถ้าทำเพื่อจะรู้เท่าทันจิตไม่ใช่เรื่องยากเลยอย่างเราพุโทโธพุโทโธนะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุโทโธแล้วจิตสงบรู้ว่าจิตสงบหรือหายใจนะหายใจไปแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจไปแล้วจิตไหลไปอยู่ในลมหายใจรู้ว่าจิตไหลไปรวมเข้ากับลมหายใจหายใจแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตหนีไปคิดเรื่องอื่น เนี่ยคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆทำกรรมฐานสิอย่างหนึ่งอะไรก็ได้นะไม่มีกรรมฐานอะไรที่ดีวิเศษที่สุดหรอกมีแต่กรรมฐานอะไรที่เราทําได้เราถนัดอันไหนอวันนั้นเพียงแต่ปรับนิดหนึ่งแทนที่จะทําเพื่อให้จิตสงบอย่างดูท้องฟองยุคเนี่ยไม่ใช่ให้จิตสงบนะแต่เพื่อจะรู้ทันจิตไม่ใช่เพื่อรู้ทันท้องด้วยนะรู้ทันท้องมันจะได้อะไรกิเลสไม่ได้อยู่ที่ท้องนะกิเลสอยู่ที่จิต กุศลก็อยู่ที่จิตมากผลก็อยู่ที่จิตไม่เอาจิตแล้วจะเอาอะไรโลปุมั่นถึงก็ฟันทงเลยนะว่าได้จิตคือได้ธรรมเสียจิตคือเสียธรรมราั้นต้องได้จิตมาก่อนวิธีจะได้จิตมาก็คือทำจิตตสิกขาเนี่ยเรียนเรื่องจิตไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตสงบก็รู้จิตเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยๆตรงที่เราคอยรู้บ่อยๆเนี่ยต่อไปพอจิตเราไหลุ๊ สติจะเกิดเองสติเป็นอนัตตาสั่งให้เกิดไม่ได้แต่ถ้ามีเหตุสติถึงจะเกิดเหตุที่ทำให้เกิดสติพวกเรารู้หรือเปล่าที่บอกเรจริญสติกันนะเราไม่รู้เหตุนะเราก็มั่วไปเรื่อยๆ เ, เราต้องทำเหตุของสตินะคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดการจำสภาวะได้แม่นเรียกว่าจีระสัญญาจิตจะจาสภาวะได้แม่น จิตต้องเห็นสภาวะบ่อยๆงั้นเราทํากรรมฐานสัอย่างหนึ่งพูดโทรไปก็ได้หายใจไปก็ได้หายใจเข้าพูดออกโทรก็ได้อะไรก็ได้ไม่มีของดีวิเศษอะไรมากกว่ากันหลอกเหมือนเหมือนกันหมดนะกรรมฐานอะไรก็เหมือนกั น, นอย่าทํากรรมฐานที่ชั่วๆก็แล้วกันนะเช่นด่าคนอื่นทั้งวันเราด่าแล้วมีความสุขเนี่ยใช้ได้ไม่ได้ฮะมันยกกั่วกิเลส น, นะ งั้นทำกรรมาฐานที่ดีๆนะทำก็ไปเถอะอะไรก็ได้พุโทโธคิดถึงพระเทเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงทานที่เราได้ทำแล้วคิดถึงศีลนะที่เรารักษาไว้ดีแล้วอย่างคิดถึงทานเนะี่ยที่แรกใจเราว้าวุ่นนะเราก็คิดถึงว่าโอ้เราเคยสร้างคุณงามความดีอะไรมานะทำทานถือศีลมาต่อเนื่องยาวนานเนะี่ยพอนึกถึงปุ๊บนะ่จิตใจสงบสุขขึ้นมาแล้ว แล้วเราก็จะเห็นเมื่อกี้จิตฟุ้งซ่านตอนนี้จิตสงบเพราะฉั้นทํากรรมฐานไปนะแล้วค่อยรู้ทันจิตไปการที่เรารู้ทันจิตบ่อยๆนะจิตสุขเรารู้จิตทุกเรารู้จิตดีจิตชั่วเรารู้จิตสงบเรารู้จิตฟุ้งซ่านหนีวิคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรารู้การที่รู้บ่อยๆเนี่ยต่อไปจิตจะจําสภาวะได้แม่นจําสภาวะได้แม่นเช่นมันหนีไปคิดปุ๊บรู้ปั๊บหนีไปคิดปุ๊บรู้ปั๊บ ถ้าฝึก อ, อย่างนี้เรียกว่าเราได้สติอัตโนมัติขึ้นมาแล้วแล้วเป็นสติปัฏฐานด้วยเพราะสติตัวนี้รู้เท่าทันจิตซึ่งเป็นตัวนำมาทำนะรู้รูป ร, รู้นามเนี่ยเป็นสติปัฏฐานเท่านั้นแหละงั้นเราฝึกเข้ามาที่ตัวจิตเลยนะจะง่ายที่สุดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้รู้บ่อยๆรู้เนืองเนืถ้าไปภาจิตเคลื่อนปุ๊บ มันจะรู้โดยไม่เจตนาจะรูนะ้วิธีไหนก็ใช้ได้เหมือนๆกันตอนหลวงพ่อภาวนากับหลวงปู่ดุลภาวนาอยู่เจ็ดเดือนเท่านั้นแหละหลวงปู่ดุลรับรองแล้วว่าช่วยตัวเองได้แล้วเข้าใจสิ่งที่ท่านสอนแล้วนะท่านบอกเลยว่าต่อไปเนี่ยไม่ต้องมาเรียนที่ท่านก็ไปได้ด้วยตัวเองนะแต่หลวงพ่อก็ยังไปนะไปหาท่านเรื่องอะไรจะโง่ไมไปนะโอกาสที่พบครูบาอาจารย์ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่พอท่านรับรองว่าเราไม่หลงทางแล้วเนี่ยหลงพ่อออกไปดูครูบ า, าอาจารย์สำนักอื่นๆสำนักไหนที่มีชื่อเสียงเนี่ยไปดูหมดนะ่นะตะเวนไปทั่วเลยนะด้วยที่เราไม่เป๋นะไม่เก๋เฮงเพราะเราได้หลักที่แม่นยําในการปฏิบัติแนละ้วแต่ถ้าหลักยังไม่แม่นนะเที่ยวตะเวนที่โน่นที่นี่เราก็ไม่ได้กลิ่นอนะ่ะมั่วไปหมดเลยนะจะเริ่มมีปัญหาว่าพุโทโธดีหรือพ่องยุบดีหรือสัมมา ร, ระหังดีมันจะไปเริ่ม เรื่องซึ่งไม่ได้สาระอันนั้นขึ้นมานี่ตอนหลวงพ่อไปนีหลวงพ่อไปเจอหลวงพ่อเทียนใครรู้จักหลวงพ่อเทียนบ้างนะท่านอายุน้อยกว่าหลวงปู่ทูบทนะ่านคงพวกเดียวกันหลวงปู่ทูบหลวงพ่อเทียนหลวงปู่ทูบอยู่นังเหลิงหลวงพ่อเทียนสอนขยับนะขยับทําจังหวะหลวงพ่อไปดนะูไม่ได้กาไปเรียนกับท่านหรอกเพราะเราเข้าใจอยู่ ไอเห็นท่านปุ๊บเนี่ยโอ้หลวงพ่อเทียนดีนะหลวงพ่อเทียนขยับเนี่ยหลวงพ่อเทียนรู้สึกตัวนะรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้เลยนะเห็นรูปนี่ไม่ใช่ตัวเราของเราอะไรเนี่ยท่านขยับแล้วท่านรู้สึกหลวงพ่อก็เอาบ้างนะไม่ไปนั่งเรียนรวมกับเขาเพราะว่าเราภาวนาของเราเองดีกว่าเป็นนั่งใต้ต้นไม้อยู่ที่วัดสนามไหนเนะ่ยขยับขยับไปนะหัดขยับตามที่ท่านสอนดู จะขยับอยู่ไม่กี่วันนะวันหนึ่งเดินอยู่ริมถนนเห็นเพื่อนอยู่อีกฝั่งถนนหนึ่งเพื่อนคนนี้ไม่เจอนานแล้วดีใจแล้วไม่เห็นว่าดีใจเนี่ยขาดสตินะเห็นเพื่อนทีเดียวขาดสติเลยดีใจแล้วไม่รู้ว่าดีใจหลวงพ่อก็หันซ้ายหันขวาแนละ้วก้าวเท้าไปจะข้ามถนนไปคุยกับเพื่อนพอเท้าเคลื่อนไหวท่านะสติเกิดเลย ท, ทําไมเท้าเคลื่อนไหวแล้วสติเกิด กาเราเคยขยับมือแล้วสติเกิดร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้นะร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้เคยฝึกมืออยู่แท้ๆนะพอเท้าเคลื่อนไหวมันก็รู้เหมือนกันนะงั้นจุดสำคัญเนี่ยทกรรมฐานไว้อย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆนะแล้วต่อไปความรู้สึกตัวมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหรือถ้าเราเป็นคนเคยฝึกเจริญสติด้วยการ ดูกุศลนักกุศลอย่าเราชี้โมโหเงี้ยเราดูจิตโกรธเราก็รู้จิตหายโกรธเราก็รู้ฝึกเรื่อยๆไปต่อไปจิตจําสภาวะของความโกรธได้แม่นทันทีที่ความโกรธเกิดสติจะเกิดเองนะหรือถ้าเราดูเวทนาเนี่ยทันทีที่ความสุขความทุกข์เกิดนะสติเกิดเองเราจะต้องฝึกจนสติเกิดเองสติที่เกิดเองเนี่ยเป็นสติที่มีกําลังแก่กล้า ในทางอริธรรมเนี่ยเขาสอนชัดนะเขบอกว่าจิตที่อดีเนี่ยต้องเป็นมหากุศนจิตไม่มีโรคหลดหลงนะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแกรการงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์เป็นมหากุศลจิตยานสัมพยุตประกอบด้วยปัญญาเพราะ้จิตที่เป็นกุศลบางดวงไม่มีปัญญานะแล้วปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเกิดเองด้วยถึงจะเรียกว่ามีกําลังกล้าเกิดเองเรียกว่าอาศังขาริกัง ถ้าเป็นกุศลที่ต้องบิวให้เกิดเป็นกุศลที่มีกำลังห่อนเพราะฉะเราจะต้องฝึกจนสติเกิดอัตโนมัติมันถือจะเป็นกุศลที่มีกำลังกล้านะวิธีฝึกก็คือหัดรู้สภาวะให้ได้บ่อยๆอะไรก็ได้นะทำอะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตไปนะแล้วต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นที่จิตเนี่ยสติจ ะ, ะระลึกได้เองนะเช่นเรา พุทโธพุโทโธไปอย่างเงี้ยนะแล้วจิตนีไนตน้ไปคิดปุ๊บรู้ทันจิตนี้ไปคิดปุ๊บรู้ทันพุทโธไม่ใช่รูปธรรมนามธรรมาเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้นะพุโทโธเป็นอารมณ์บัญญัตินะแต่ว่าตัวที่เราดูจริงไม่ใช่คำว่าพุโทโธตัวที่เราดูจริงคือจิตจิตเป็นนามธรรมานะเอาไปทำวิปัสสนาได้งั้นเราหัดพุดโทโธพุทโธนะเพราจิตไหลไปปุ๊บรู้ทันไหลปุ๊บรู้ทัน จ, นจนจิตจำสภาวะของการไหลได้ ต่อไปพอมันไหลปุ๊บนะสติเกิดเองโดยที่เราไม่ได้เจตนาเลยนะหรืออย่างถ้าจะดูกายนะอย่างที่หลวงพ่อเล่าตะเกียบฝึกแบบหลวงพ่อเทียนดูกายร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นขรู้สึกนะมีสติเรื่อยๆแล้วพอขาดสติเนี่ยก็รู้ทันที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวนะไอ้หนูของเราตัวใหญ่เกินแมวเราตัวเล็กเกินเป็นลูกแมวที่ไม่รู้จักโตนะหนูมันข้าบไปกินเสอีกเนี่ยสู้เหมือนไม่ได้ งั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะไม่มีกรรมฐานอะไรดีเลวกว่ากันหรอกเหมือนเหมือนกันทั้งนั้นแหละขอให้ได้จิตเท่านะั้นแหละถ้าได้จิตก็ได้ธรรมะมั่งไห้ถ้าไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรมะอย่างจะพุโทโธจะหายใจนะจะดูท้องพองยุบก็ได้เวลาดูท้องพองยุบเอี่ยไปดูที่ท้องนะแค่รู้สึกร่างกายมันพองร่างกายมันยุบหรือร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเนี่รู้สึกร่างกายไป แล้วพอจิตเราหนีที่จะกายนี้ไปอยู่ที่อื่นเรารู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเรารู้ทันตัวสําคัญคือการรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมากนะจะมาฐานอะไรก็ได้เหมือนกันหมดแหละพอเรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาบ่อยๆแล้วต่อไปสติจะเกิอดอัตโนมัตนะิพอไหลปุ๊บรู้ปับ๊บไหลปุ๊บรู้ปับ๊บนะอย่างหลวงพ่อขยับเท้าไปเนี่ยสติเกิดแล้วเนะพราะเราเคยเห็นร่างกายเส้นไหวใจเป็นคนรู้สึกสติก็เกิดเอง งั้นกรรมฐานอะไรก็เหมือนเหมือนกันแ่ะนะถ้าถูกก็ถูกทั้งนั้นหละถ้าทำผิดยังไงก็ผิดหมดแหละนะไม่ดีไม่เลวว ก, กันหรอกตอนหลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยสังเกตไหมจิตที่ก็ไม่นิ่งรู้สึกไหมจิตไหลไปคิดไหลเย้ยไปนะเลื่อยไปเนะี่ยรู้ทันไปเรื่อยๆนะแต่การที่จะคอยรู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนเนี่ย อยู่ๆไปรู้มันตรงๆเนี่ยรู้ยาติมันต้องมีเครื่องสังเกตคือเครื่องอยู่ของจิตสกรกงั้นในสติปัฏฐานนะท่านจะเริ่มจากการมีวิหารธรรมกาเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมมีเวทนาในเวทนาเป็นวิหารธรรมมีจิตในจิตเป็นวิหารธรรมมีธรรมในธรรมเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมวิหารธรรมก็คือบ้านของจิตเครื่องอยู่ของจิต แล้วพอจิตมันหลุดไปจากวิหารธรรมเราจะได้รู้ได้ไวๆเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรลึกลับหรอกนะจะาหายใจพุดโทเรื่ออะไรก็ได้นะแล้วพอจิตมันทิ้งไปมันหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานของเราเราก็รู้ทันจิตมันถล่มลงไปนอนแช่อยู่ในอารมณ์กรรมฐานก็รู้ทันเท่านี้เองนะจิตหลงไปก็รู้จิตลงไปเพ่งไปแช่ก็รู้สองอย่างนี้ทำยากไหม ไม่เห็นจะยากอะไรเลยถ้ายากก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะเนี่ยถ้าเราหัดดูจิตดูใจนะพอจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้พอเคลื่อนปั๊บมันจะรู้เองเรียกว่าสติเกิดแล้วถ้าหากเราดูสภาวะที่จิตเคลื่อนได้เนะี่ยทันทีที่จิตเคลื่อนแล้วสติรู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะการเคลื่อนนั้นจะดับอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะจิตที่เคลื่อนเป็นจิตที่มีกิเลสมีนิวรณ มีกิเลสอุทัศ จ, จะเมื่อกี้ก็สวดสวดอยู่คนอื่นมีอุทัศ จ, จะเราจะไม่มีขี้โม้ฟุงกระตายไปแหลกลานยงบอกคนอื่นมีอุทัศ จ, จะเราจะไม่มีอุทัศ จ, จะนี่กำลังหลงอยู่แท้ๆเลยนะเนื่อต้องหัดของฟรีไม่มีอยากได้ของดีต้องฝึก ไปทำนะให้กันบ้านไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ไปสิ่งที่ได้แรกคือสติแล้วถ้าจิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยสิ่งที่ได้มาเป็นของแถมเลยคือสมาธินะงั้นหลวงพ่อจะเน้นลงมาเวลาพวกเราปฏิบัติเนี่ยถ้าเริ่มต้นด้วยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนะเราจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นไม่เคลื่อนไม่โครงเคลงไม่คลอนแคลน งันจิตที่มันเคลื่อนไปนะเพราะมันมีนิวรณ์มีความฟุง้งซ่านทันทีที่สติเกิดทันทีที่สติเกิดเนี่ยกิเลสจะดับอัตโนมัติเพราะสติกับกิเลสเกิดพร้อมกันไม่ได้เมื่อไหรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติงั้นการที่เราคอยรู้ทันจิตที่ไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้หรือจิตไปนอนแช่อ ย, อยู่ในอารมณ์กรรมฐานแล้วก็รู้จิตเคลื่อนเรารู้เนี่ย นอกจากจะได้สตินะพอเคลื่อนปุ๊บมันรู้สึกเองพอรู้สึกปุ๊บสติเกิดแล้วเนี่ยนิวรณ์จะดับนะความฟุ้งซ่านจะดับสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเห็นไหมการฝึกสมาธิก็ไม่ใช่เรื่องยากง่ายกติษดเดียวเองจิตเคลื่อนเรารู้นี่แหละได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิตรงนี้ตามทันไหมตามทันไหมสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตนะมันตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านของจิต ฟุ้งซ่านของจิตเนี่ยมันฟุ้งไปด้วยอำนาจของกิเลสนะด้วยอำนาจของอุทธัจจ์ฟุ้งไปฟุ้งมากๆ ก, ก็าำคาญใจกุกอุจจะก็เกิดนะพอฟุ้งไปแล้วไม่มีสติรู้ทันก็เพลิดเพลิ น, พ, น, พ, น, พ, นพอใจนะก็เป็นกรมมชันทะมันทางานขึ้นมาฟุ้งไปแล้วเจออารมณ์ไม่ชอบใจนะปฏิฆาก็ทางานขึ้นมาฟุ้งไปแล้วนะไม่รู้จักมันนลังเลสงสัยขึ้นมา โคมากๆเข้าหมดแรงหล่นตุ๊บลงไปทีน้ำมิทธะความเสื่องซึมก็เข้ามาครอบงําเนี่มันมาจากโคตรเง่าของตัวนิวรณ์พวกเนี้อนะ้ำคือตัวฟุ้งซ่านเองถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนเนี่ยจิตจะไม่ฟุง้งซ่านจิตจะไม่เคลื่อนโดยอัตโนมัติสมาธิที่ดีเนี่ยจะต้องเกิดเองไม่ใช่เกิดโดยเราสั่งให้เกิดถ้าเราจงใจทําจิตไม่ให้เคลื่อนเนี่ยจิตจะแน่น จิตที่หนักจิตที่แน่นจิตที่แข็งซึมทื่อเป็นอาคุศลจิตจำไว้นะจิตที่เป็นมหากุสรจิตต้องเบาอ่อนโยนนุมน่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมไม่โลภไม่โกรธไม่หลงในขณะนั้นนะเพราะฉั้นเราจะต้องฝึกให้จิตของเราเนี่ยมีสติอัตโนมัติมีสมาธิอัตโนมัติหลักสูตรอันเดียวเลยที่จะทําให้ได้ทั้งสองอย่างนี้นะก็คือ ทำกรรมฐ า, านสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลือ่อนจิตจะเคลื่อนในสองแบบเท่านั้นเองนะอันหนึ่งเคลื่อนไปแช่นิ่งๆอยู่ในอารมณ์อันที่สองเคลื่อนหลงลืมอารมณ์ไปนะอารมณ์กรรมฐ า, านนะไม่ใช่อารมณ์อื่นเพราะั้นเราใครยฝึกเรื่อยๆถ้าทําได้มากผลนิพพานไม่ไกลเลยนะไม่ใช่เรื่องไกลเลยหลวงพ่อฝึกสมาธิตั้งแต่เด็กนะ เปิดตั้งแต่เจ็ดขวบเรื่องกับท่านพอลีท่านสอนนานาปัญสติหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับสองนับอย่างนี้ท่านให้นับถึงสิบแล้วก็ถอยลงมาเก้าแปดเจดหกห้าลวงพ่อตอนนั้นเด็กอะหลวงพ่อนับเลขถอยหลังไม่เป็นหลวงพ่อไม่นับเลยหนึ่งถึงสิบแล้วหลวงพ่อต่อสิบเอดบสองไปถึงร้อยเลยแล้วเริ่มหนึ่งใหม่เห็นจะเป็นไรเลยเ น, นี่ยหายใจไปอย่างเนี้ย ทีแรกยังทําไม่เป็นนะก็มุ่งไปที่ครูบาอาจารย์ให้ทําก็ทําไปองั้นแหละไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรด้วยซ้าไปมันเด็กจนกระทั่งไม่ได้มีความอยากเนะืนะ้อหายใจไปพอจิตเริ่มสงบเนี่ยก็เหลือแต่หายใจเข้าพูทหายใจออกโธการนับหายไปพอจิตสงบมากขึ้นพุโทโธหายไปเหลือแต่การหายใจพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปนะกายเป็นแสงสว่างนะเป็นอุคหานิมิตเป็นแสงสว่างขึ้นมา ดูที่แสงสว่างต่อไปนั้นก็กลายเป็นปฏิภาคนะย่อได้ขยายได้เล่นได้จําใจเนี่ยเราเสร็จแล้วมัเล่นเราเสร็จแล้วมตามแสงออกไปขนอกตัวเนี้ยพลาดพลาดออกไปเที่ยวดูสวรรค์ดูผีดูเปรตอะไรงั้นออกนอกไปงั้นไม่ได้เรื่องหรอกนะดูไปช่วงหนึ่งนะใจมันนึกขึ้นมาได้ว่าเจอเทวดาเราไม่กลัวแต่ถ้าไปเจอผีเนี่ยจะกลัวเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะไม่ให้จิต หลงออกไปตามแสงออกไปอีกต่อไปแล้วอันนี้เป็นการฝึกสตินะเพราะฉะนเรามีอารมณ์คือแสงสว่างนะแสงมันเกิดขึ้นตรงนี้แสงสว่างแล้วจิตเคลื่อนไปจากแสงเนี่ยรู้ทันจิตเคลื่อนไปจากแสงรู้ทันงั้นก็คือการทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนแล้วรู้นั่นเองนะเนี่ยเดิดเข้าร่องตรงนี้ได้ในสุดจิตก็เป็นผู้รู้ขึ้นมาถ้านะจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยไปต่อไม่เป็นล ก็แค่รู้ตัวอยู่เฉยๆเมื่เจอหลวงปู่ดุลท่านสอนบอกให้ดูจิตหลวงพ่อก็เลยมาดูจิตที่แรกก็ดูไม่เป็นดูแล้วไปรักษาตัวผู้รู้ให้มันนิ่งกไปฝึกอยู่อันนี้สามเดือนไปส่งกันบ้านหลวงปู่หลวงปู่บอกใช้ไม่ได้อันนี้เป็นการแทรกแซงจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเราไปทําซะจนไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งใช้ไม่ได้ไปดูใหม่ ท่านบอกให้ไปดูเหมืนเราดูหนังสือเวลาดูหนังสือเนี่ยเราไม่ใช่คนแต่งหนังสือหนังสือมันเป็นยังไงเราก็อ่านไปอย่างนั้นเองเราไม่ใช่นักวิจารหนังสือไม่ต้องบอกว่าอ้ น, นี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ถูกกับนี่ผิดมันมีอะไรให้ดูก็ด่วนนั้นแหละท่านบอกให้ดูจิตดูใจหลวงพ่อจะเห็นที่แรกการดูจิตดูใจเนี่ยจะเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตก่อนเวลาเราดูจิตเนี่ย อันแรกๆเลยที่ดูง่ายคือดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตนะแล้วถ้าละเอียดขึ้นมาเนี่ยดูพฤติกรรมของจิตที่มันไปเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงที่จิตเคลื่อนนั่นแนหะนี่หลวงพ่อเวลามาสอนหลังๆเนี่ยหลวงพ่อสอนเอามาตรงที่จิตเคลื่อนเลยไม่ต้องไปอ้อมความเสียเวลาแล้วะจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เลยได้ทั้งสติทําไมได้สติเพราะจิตจําสภาวะที่เคลื่อนได้แม่นสติก็เกิดทําไมได้สมาธิ นะเพราะว่าจิตไม่ฟุ้งซ่านนะเห็นไหมไม่ใช่เพราะเราเก่งทําให้มันสงบนะแต่เถ้าะมันไม่ฟุ้งซ่านทําไมมันไม่ฟุ้งซ่านเพราะเรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านคือการที่ไหลแค่นี้เองทํากรรมาฐานอย่างหนึ่งนะเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาฝึกไว้นะแล้วจะรู้ว่ามันไม่ยากหรอกที่หลวงพ่อเพียงกับครูบาอ า, าจารย์ครูบาอาจารย์บอกยากยากเนี่บางทีท่านเริ่มมาจะทํายังไงจิตจะสงบ ของหลวงพ่อมองหน้าพวกเราแนละ้วจะทำจิตให้สงบเหมือนตรวงพ่อทำตอนเด็กๆ เ, เนี่ยคงยากบ้านเมืองทุกวันนี้วุ่นวายอยู่ตายผัสสะของเรามีตลอดเวลางว้าเราทำสิ่งที่เราทำได้จริงนะทำได้จริงก็คือดูจิตของเราไปจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนเรารู้ไปเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนที่ไหนที่ไหนก็ฝึกดูกายนะมีหลวงพ่อนี่แหละเข้าไปหาหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ดูจิต แทบจะไม่มีใครดูจิตเลยนะแล้ววันหนึ่งนั่งอยู่กับหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองหลวงพ่อฟังแล้วไม่เชื่อหรอกเราก็แสบเหมือนกันนะอาจารย์บอกก็ไม่ไม่เชื่อหรอกต้องพิสูจน์ได้ก่อนถึงจะเชื่อนะนี่ใส่เป็นอย่างนั้นเลย มาถึงวันนี้การดูจิตรุ่งเรืองในเมืองนะรู้สึกไหมเพราะอะไรเพราะการดูกายจะทำได้ดีต้องทรงฌานกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถยญานิกถ้าไม่ทรงฌานไปดูกายเวทนานะจะถลำลงไปนอนแช่อยู่เฉยๆหรือไม่ก็สติแตกอย่างไปดูเวทนา น, นี่ถ้าจิตไม่ทรงฌานนะมันจะทรมานจนสติแตกเลย งั้นกายและเวทนาเนี่ยหมาะกับคนทรงฌานนะจิตจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนานี่เหมาะกับวิปัสสนาญาณิกพวกเรายุคนี้เข้าฌานไม่เป็นนะงั้นเราก็ต้องทําสิ่งที่เราทําได้คือเจริญปัญญาด้วยวิปัสสนาญาณิกเลยนะดูเข้าไปเลยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองเนี่ยง่ายที่สุดธรรมานุปัสสนายากกว่าจิตตานุปัสสนานะ ธรรมานุปัสสนาเนี่ยของคนซึ่งอินทรีย์แก่กล้าละระหว่างกายกเวทนาเนี้เหมาะกับพวกทรงฌานกายเป็นของง่ายเวทนายากกว่าจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับของพวกที่เดินมีปัสสนาไปเลยมีปัสยานิกนะจิตตานุปัสสนาดูง่ายนะธรรมานุปัสสนายากกว่านะต้องของพวกอินทรีย์แก่กล้านะงั้นเราสมมุติไว้ก่อนว่าพวกเราอินทรีย์อ่อน ถ้าอินทรีย์แข็งก็คงไม่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วล่ะคงไปอยู่ที่อื่นแล้วเหนื่อย น, นิพพานไปแล้วล่ะสมมติไมื่ก่อนว่าอินทรีย์อ่อนอย่าไปสันนิพพานว่าอินทรีย์แข็งแล้วนะมันมันแข็งแต่ใจใจเป็นตื้อใจเป็นด้านแต่ธรรมะแข็งเหลือเกินอินทรีย์เรายังอ่อนเนี่ยเราดูดูจิตใจของตัวเองง่ายที่สุดแล่ะตรงที่หลวงพ่อบอกว่า จิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เนี่ยมันอยู่ในจิตตานุปัสสนาตรงที่ว่าดูกระภิกสูตรทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตไม่ฟุ้งซ่านก็รู้รู้ตรงนี้งั้นเราคอยรู้ทันไปหรือถ้าดูจิตที่เคลื่อนไปไม่เห็นนะจิตฟุ้งซ่านดูไม่เห็นนนะดูเท่าที่เห็นอย่างถ้าเราขี้โลภเราก็เห็นจิตโลภเราก็รู้จิตหายโลภเราก็รู้นี่อ้อมหน่อยนะอ้อมหน่อย เพราะว่าเรียนลงไปที่ตัวโลกนะพ่อแม่ของตัวโลกมันก็คือตัวหลงถ้าเรียนเข้ามาที่ตัวพ่อแม่มันได้เรียนถึงตัวหลงได้นะสั้นที่สุดเลยจิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยสั้นนิดเดียวเลยแต่ถ้าเคลื่อนเราไม่รู้เนี่ยมันจะเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาถ้าเกิดสุขเกิดทุกข์แล้วยังไม่รู้เนี่ยมันจะเกิดกิเลสขึ้นมาโลภโกรธหลงเช่นมันเกิดสุขขึ้นมาแล้วเรารู้ไม่ทันว่าตอนเนี้จิตกําลังสุข มันจะเกิดยินดีในความสุขนะเกิดาราคะขึ้นมาหรือเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเราไม่เห็นว่าจิตมีความทุกขนะ์มันจะเกิดโทสะขึ้นมาว่าถ้ามันเกิดสภาวะไม่สุขไม่ทุกข์นะจากอะไรไม่ถูกเลยโมหะเอาไปกินงั้นถ้าเราดูได้เนี่ยนะดูได้ตั้งแต่จิตเคลื่อนได้นีดีที่สุดจิตเคลื่อนก็คือเคลื่อนไปหาผัสสะนั่นเองเคลื่อนไปหาผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกาใจ ถ้าตรงนี้เราไม่เห็นก็จะเกิดเวทนาเคยได้ยินไหมผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนานะตรงผัสสะเราเห็นได้คือจิตวิ่งไปดูรู้ทันจิตวิ่งไปฟังรู้ทันจิตวิ่งไปคิดรู้ทันทำตรงนี้ได้ง่ายที่สุดแล้วนะง่ายที่สุดแล้วแต่ถ้าดูไม่ทันสติมันไม่ยอมเกิดนะมันก็ไปอีกสเต็ปหนึ่งดูตัวนี้ไม่ได้มันก็เกิดเวทนาขึ้นมา ไปดูที่เวทนาก็อย่างดีดีกว่าไม่ดูเลยนะถ้าเวทนาก็ยังดูไม่ทันก็ไปดูที่จิตตานุปัสสนานะจิตจะมีกิเลสแทรกเข้ามาตามเวทนาเข้ามาเนะนี่คยค่อยๆฝึกไปนะสุดท้ายมันจะเข้าสู่ธรรมานุปัสสนาเองมันจะแจ้งอริยสัจขึ้นมาเองเนะนี่เส้นทางเดินนะใครเคยอ่านเรื่องปฏิจจสมุ ป, ปบาทบ้างมีไหมลองยกมือสิไม่มีเลยลรอ ถ้าไม่มีไปอ่านบ้างนะถ้าไม่เคยได้ยินคําว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยน่าสงสารเลยละ่ะพระนนท์เคยบอกพุทธเจ้าพระนนท์เป็นพระโสดาบันไปทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าปฏิจจสมุปบาทที่พระองค์แสดงฮะที่พระองค์บอกลึกซึ้งนะปรากฏแก่ข้าพระองค์เป็นของตึ๊ง ตัวนี้คนก็ตีความกันว่าทําไมพระนนท์ตื่นอันหนึ่งพระนนทจีเนียสมากอันที่สองก็คือพระนนไม่รู้ปฏิจจสมุปาทจริงก็เลยรู้สึกว่าตื่นพระพุทธเจ้าไม่ได้เชียนะสาธุ อ, อนอนท์ถูกต้องหรือไม่ใช่พระเจ้าบอกอย่าพูดอย่างนั้นนะนอนทนะทาไมท่านบอกอย่าพูดอย่างนั้นก็พระนอนเป็นพระโสดาบันจะไปรู้แจ้งแทงตลอดปฏิจจสมุ ป, ปาฏิจได้ยังไงนะถ้ารู้แจ้งเมื่อไหร่ก็เป็นพาระละหันไวนะ้นั้น จบอกถ้าไม่รู้แจ้งปฏิจจสมบัตินี่ยังเวียนว่ายตายเกิดอีกนะวัตตะนี่ยงไม่สิน้นะเนี่ยในปฏิจจสมบัตินี่จะ ม, มีอายตนะมามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นปัดใจกจ็ทำให้เกิดการกระทบอารมณ์คือผัดสัตตรงที่กระทบอารมณ์เนี่ยตามองเห็นรูปเนี่ยใครเป็นคนเห็นจิตเป็นคนเห็นนะจิตอาศัยตา อาศัยจกักรหูประสาทไปรู้รูปจิตอาศัยประสาทหูไปฟังเสียงนะถ้าไม่มีจิตตัวเดียวนะมีแต่ตาแต่ไม่มีจิตมันจะไม่เห็นรูปงั้นคนที่ไปเห็นอารมณ์ทั้งหลายทั้งรูปเสียงกลิ่นรสผพิภัณฑธรมรมารมผู้ที่ไปเห็นอารมณ์นะคือจิตนิยามของควาว่าจิตก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณนะ์งั้นตัวจิตเนี่ยตัวใหญ่นะ งั้นถ้าเราสังเกตไปเรื่อยๆจิตวิ่งไปดูเรารู้ทันจิตวิ่งไปฟังเรารู้ทันจิตวิ่งไปคิดเรารู้ทันมันวิ่งได้หกช่องแต่หกช่องเนี้ยอยู่ๆไปดูหกช่องเนียไม่ใช่ง่ายนะมันมีช่องที่มากเกินไปเราก็มาทำกรรมฐานก่อนก่อนจะไปเจอในสนามรบจริงหกช่องทางเนี่ยมาทำในรูปแบบอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจไปนะแล้วจิตไหลลงไปอยู่ที่ ลมหายใจเราก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจคือไหลไปที่กายนะหรือจิตไหลไปคิดเรื่องอื่นเรารู้นี่ไหลไปทางใจแทนที่จะดูหกช่องเราเหลือดูสองช่องนะจิตไหลไปที่กายก็รู้จิตไหลไปทางใจหรือห น, นีไปคิดนึ้ปรุงแต่งก็รู้ฝึกสองช่องให้ชํานาญนะแล้วเสร็จแล้วออกมาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยหกช่องเนี่ยเราจะสู้ได้เวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เนี่ยไม่ต้องไปกําหนดที่อื่นเลย ให้รู้ทันอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่เองพอตามองเห็นเนี่ยถ้าเราสติเราดีนะเราเห็นว่าจิตวิ่งไปที่ตาจบแล้วปฏิจจสมาบาดเดินต่อไปไม่ได้ละขาดแค่นั้นละเรารู้ทันว่าจิตวิ่งไปฝั่งแล้ววิ่งไปทางหูแล้วปฏิจจสมาบัดขาดตรงนั้น่ะนะไม่สามารถปรุงความทุกข์ขึ้นมาให้เราได้ละนะขาดตั้งแต่เริ่มต้นเลยคล้ายๆมันถูกทําแทงไปตั้งแต่แรกและตามองเห็นปุ๊บสติรู้ว่าจิตหลงไปทางตาละนะ จะไม่ปรุงต่อแล้วแต่ถ้าไม่รูเนี่ยมันจะปรุงเวทนาขึ้นมามีตามมาเห็นรูปเนี่ยจิตโดยที่มองเห็นรูปเนี่ยมีอุเบกขาเวทนาอย่างเดียวแต่ว่าพอมันส่งสัญญาณเข้ามาที่จิตนี่คือรูปอะไรอรูปผู้หญิงสวยเนี่ยเกิดอารมณ์ที่พอใจขึ้นมานะมันจะเกิดสมนักเวทนามีความสุขทางใจขึ้นมา เรามีสติรู้ว่าจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขตรงนี้นะอย่าไปกําหนดอยู่ที่ตาอย่างเดียวนะตามองแล้วเนี่ยตามองมองมนะอย่เนี่ยเหมือนคนพิการแนะห่เป็นธรรมชาตินะเพียงแต่ว่าถ้าสติเราเร็วจริงจิตวิ่งไปทางตาเรารู้ทําไมมันวิ่งไปที่ตาเพราะมันมีตัณหามันมีรูปปตัตนหามันอยากเห็นรูป มันอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากได้อารมณ์ทางใจตัณหาเลยมีหกช่องนะพอมีมตัณหาขึ้นทางไหนจิตก็ไปเกิดทางนั้นตัณหาไปทำให้จิตสร้างพบจิตก็ไปหยิบเวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาแต่หยิบทีละอันนะตรงที่จิตหยิบตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าชาต ชาติคือความได้มาซึ่งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใจนะอันนี้ฟังแล้วยากนิดหนึ่งนะฟังเล่นๆไปก่อนวันนี้ไม่รู้เรื่องวันหน้ารู้เองแล้คงไม่งโง่ตลอดหรอกนะยากวันนี้วันหน้ามันก็ง่ายถ้ากลัวยากนั่งแต่วันนี้วันหน้ามันก็ยังยากต่อไปอีกนะใจสู้ๆหน่อยนะฟังหลวงพ่อรอบแรกนะฟังไม่รู้เรื่องหรอกเดี๋ยวไปฟังซีดีเอาไปดูยูทูบเอานะมีให้ดู งั้นฝึกไว้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแต่จะดูทีละหช่องทำยากเล่นเปนสองช่องคือกายใจนี่แหละเช่นหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกจิตหนีไปคิดรู้ทันเนี่ยหลงทางใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันเนี่ยหลงไปที่กายไม่หลงไปที่กายก็หลงไปที่ใจเล่นอยู่สองช่องให้ชนานาญนะ ต่อไปออกมาหกช่องนี่สบายมากเลยจิตเคลื่อนไปทางตาก็รู้เคลื่อนไปทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจรู้หมดเลยพอรู้ปุ๊บนะไม่มีอะไรต่อแล้วเป็นอุเบกขานะไม่ปรุงต่อแล้วแต่ถ้ารู้ไม่ทันมีผัสสะเรารู้ไม่ทันมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจนะแล้วเกิดเวทนาทางใจนะเวทนาทางใจนี่แหละเป็นที่ที่กิเลสแทรก ความสุขเกิดขึ้นทางใจกิเลสจะแทรกนะคือราคาจะแทรกความทุกข์เกิดขึ้นในใจโทสะจะแทรกความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นทางใจโมหะจะแทรกเวลาเราไม่สุขไม่ทุกข์รู้สึกไหมมักที่เพลินเพลินเผลอเผอเพลินเพลินลืมเน้อลืมตัวไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเนี่ยกาลังเพลินเลิอนอยู่นะใครเอาก้อนหินกว้างมาโดยไม่เจตนาลงหัวเราพอดีเจ็บนะีเจ็บนี้ไม่เพลินแล้วใช่ไหม เจ็บเนี่ยโทสะขึ้นแล้วมึงมาปากรบาลกูอย่างเงี้ยนะโทสะ ข, ขึ้นแล้วหรือถ้ามีความสุขนร้อนมากเลยแล้วลมโชยมาแผ่ๆมาถูกร่างกายเย็นชื่นใจนะมันมีความสุขขึ้นมาเพรามีความสุขขึ้นมาแห ม, มชอบจังเลยตรงนี้ดีจังเลยเย็นราคะมันเกิดละตัวเวทนาไม่ใช่กิเลสนะแต่กิเลสมันแทรกตามเวทนาไม่พีดีงั้นให้มีสติรู้เข้าไป ถ้ารู้ได้ตั้งแต่มันมีผัสสะดีที่สุดถ้าต้องมีผัสสะยังไม่รู้มันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเฉยเฉยในใจให้รู้อันนี้ดีปันกลางนะถ้าสุขทุกข์ทางใจเกิดเฉยเฉยทางใจเกิดยังไม่รู้มันจะเกิดกิเลแสแทรกเข้ามารู้ตรงที่มีกิเลแสแทรกอันนี้ดีขั้นต่ำนะดีระดับล่างหลังจากนั้นไม่ได้กินแล้วความทุกข์จะต้องเกิดละ พรากิเลเกิดเนี่ยจิตจะเริ่มดิน้นจิตจะเข้าไปยึดถือต่างๆนะยึดถือสิ่งต่างๆจิตจะดินน้นรนทํางานนี่ว่าสร้างภพจิตจะหยิบฉวยอายตนะขึ้นมาเป็นทุกข์แล้วก็เป็นทุกข์นะตัวทุกข์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละคือตัวทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนามนี่แหละคือตัวทุกข์ อินสี2ยเป็นตัวทุกแล้วแต่จะแยกนะที่จริงก็คือรูปธรรมกนามธรรมจะแยกแบบอันห้าก็ได้อายตนะหกก็ไดนะ้แยกสิ่งที่เป็นตัวเราเป็นส่วนๆนี่จะเป็นอินสนะี2ยีธาตุ 18, าตสิบแปติดจากสุบัต24นิอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะแยกแล้วแต่ความถนัดแต่ง่ายที่สุดนะไปทำกรรมฐานสัอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิต จิตเคลื่อนแล้วรู้นะเคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปเพ่งก็รู้ไปทำตัวนี้ให้ได้นะแล้วจะไปฟังซีดีหลวงพ่อซ้ำไปดู YouTube ตรงนี้ซ้ำเนี่ยจะรู้เรื่องอย่างรวดเร็วเลยแล้วกิเลสเนี่ยมันจะเจิดกระเจิงหนีเราอย่างรวดเร็วเลยนะใช้เวลาไม่มากหรอกขอให้ทำให้ถูกแล้วก็ทำให้พอนะทำให้พอไม่ใช่ว่าทำสิบปีย0สิปีนะทำให้พอหมายถึงว่าทาให้มากที่สุดทียิบเลย หลวงพ่อภาวนาทำไมเร็วนะขนาดพวกพระอุปถาคอยู่กับครูบาอาจารย์หลวงพ่อเป็นโยมอ่ะเขา ย, ยังถามหลวงพ่อเลยว่าโยมภาวนาได้ไงปีหนึ่งเนี่ยทำได้เยอะกว่าพระภาวนาสิบปียี่สิบปีบอกผมทำทั้งวันเนี่ยทำให้พอคือทำทั้งวันนะยกเวน้นเวลาทำงานที่ต้องจิตกับเวลานอนหลับเวลาที่เหลือคือเวลาปฏิบัตินะ ถ้าทำได้อย่างหลวงพ่อว่าเนี่ยเรียกว่าเราทำได้ต่อเนื่องนะ้วทำได้สมควรแก่ธรรมะแนะแต่ถ้าประเภทนับปีเนี่ยทำมา20ปีทำไมไม่ได้ใน20ปีเนี่ยรู้สึกตัวรวมกันได้ไม่ถึงหนึ่งวันนอกกนั้นหลงตลอดเลยแล้วก็เคยนั่งสมาธิตอนสิบขวบตอนนี้สามสิบแล้วทำไมยังไม่ได้ก็มันนั่งอะไรนั่งฟุ้งซ่านนั่ง เคลบเคลมลืมตัวไม่ได้สติขึ้นมาก็ไม่ได้หรอกจุดสําคัญคือความมีสติตลอดเวลายกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิดเวลาทํางานที่ต้องคิดเนี่ยสติสมาธิปัญญาจดจ่ออยู่ที่งานเหมือนสตินั้นเป็นสติทางโลกสมาธิทางโลกปัญญาทางโลกแล้วก็เวลานอนหลับไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแต่เวลาที่เหลือนี่อยู่ในชีวิตอย่างเนี้ย มีสติไวนะ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจ ก, กระทบมารวมจิตเคลื่อนไปรู้ทันนะรู้ไม่ทันก็รู้สุขทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นในใจรู้ทันสุขทุกข์เฉยๆก็ยังไม่รู้ทันก็ดูกุศลนากุศลที่เกิดขึ้นในใจหัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆไปนะรู้มันทั้งวันนะดูสิมันจะไม่ได้ดีเฉีวยวโลพระเจ้าเจ้าบอกว่าผู้จเจริญสติปัฏฐานนะ เวันบ้างเจ็ดเดือนบ้างเจ็ดปีบ้างทนะ่านเริ่มมาจากเจดปีใช่มเจ็ดปีจะได้พระอรหันต์ไม่ได้อรหันต์ก็ได้อานาคาขอกเรานับมาตั้งสามสิปีแล้วแต่รวมแล้วมันวันเดียวยังไม่ถึงเลยนะอย่างนั้นนับไม่ได้นะนะถ้าเรามีสติอยู่ทั้งวันเนี่ยนับไดนะ้แล้วดูสิสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะจริงหรือไม่จริงเจ็ดนะวันเจ็ดเดือนนะเจ็เดือนมีไหมมีนะไ ม, ม, ม, ม่ใช่ไม่มีม วันเดียวยังมีเลยไม่ใช่ไม่มีดันั้นถ้าเราเจริญปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมนะเราก็จะได้ธรรมะถ้าเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสเรื่อยเชื่อไปตลอดเวลาเราก็ไม่ได้อะไรก็ได้าธรรมไปอยากได้ธรรมะเราก็ต้องลงมือปฏิบัติจเจริญสติไปอย่างที่หลวงพ่อบอกมันจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิสุดท้ายได้ปัญญาปัญญามีสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิด ปัญญามีสัมมาสมาธิไม่ใช่สมาธิเฉยๆปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิสมาธิคือสภาวะที่จิตใจยอยู่เหนือกับตัวฝึกอย่างนี้ไปดูซิจะไม่ได้จริงหรือเจ็ดีเ็เดือนจะได้ไม่ได้เราดูเจ็ดวันมีเพราะพระพุทธเจ้าบอกวันเดียวยังมีเลยช่วงที่ท่านพูดประโยคสองประโยคบรลรลุพระอรหันต์เลยก็มี นั่นอินทรีย์ท่านแก่กล้าจริงๆเราบอกแล้วพวกเราอินทรีย์ยังไม่แก่กล้านะเราปากกล้าอย่างเดียวอินทรีย์เรายังไม่ค่อยแก่กล้าต้องฝึกพอไหวไหมหลวพ่อสอนอะไรทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตใจของตนเองจิตหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานรู้ทันจิตไปจมแช่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานรู้ทัน ฝืน อ, อย่างนี้แหละทาไปเราจะลองดูว่าพระพุทธเจ้าสอนจริงหรือไม่จริงมันจะได้ธรรมะมาจริงหรือไม่จริงนะสมควรแก่เวลานะวันนี้ที่จริงหลวงพ่อจะต้องตอบกันบ้านอีกแต่ว่าช่วงนี้หลวงพ่ออาพาธมาสิบกว่าวันแล้วนะพูดยาวๆเนี่ยหายใจไม่ทันหายใจไม่ออก เท่านี้นะ okay. ครับและลลำดับต่อไปพวกเราจะร่วมกันนะครับถวายสังฆทานแด่หลวงพ่อนะครับครับแล้วผมก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกท่านนะครับนำกล่าวคำถวายนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและไทยธรรม พร้อมกับสิ่งของอันเป็นบริว า, ทารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมชโชว์ขอหลวงพ่อได้โปรดรับพพรรเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทาั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเถิน หลวพ่อหนุโมทนากับทุกๆ ท, ท่านนะทั้งผู้จัดงานนะเจ้าของสถานที่ก็พวกเราทุกคนไม่ต้องว่าภาษาบาลีนะขอให้มีความสุขมีความเจริญในธรรมนะโลกเต็มไปด้วยความร้อนเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเราฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีธรรมะเป็นที่พึ่ง เราจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังอยู่อย่างมีความสงบสุขอยู่ไดนะ้เราจะต่อสู้กับความไม่แน่นอนของโลกเนี่ยด้วยความแน่นอนของจิตใจที่ฝึกดีแล้วจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้นะเราจะอบรมสั่งสอนมันด้วยสมาธิด้วยปัญญานะมีสติก็มีสมาธิมันก็จะเกิดปัญญาเนี๋ยหลวงพ่อลาพวกเราก่อนนะ